สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเรซูตอนที่สามร้อยเอ็ดเรื่องคำอธิษฐานของเปเรซูรครั้งที่เจ็ดสิบหกครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายถึงการเชื่อมโยงของคำสองคำในภาษากรีกคำแรกก็คือคำว่าการทดลองหรือ p ε ι ρ α σ μ ό ς คำที่สองก็คือคำว่าไอซึ่งแปลว่าเข้าไป พี่น้องครับทั้งสองคำนี้ได้ปรากฏอยู่ในคำอธิษฐานของพระเยซูที่บอกว่าขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปในการทดลองครับเข้าไปในการทดลองเมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วนะครับว่าคำหมายคาว่าเข้าไปนั้นก็คือตกอยู่ในอำนาจตกอยู่ในอุ้งมือตกอยู่ในอิทธิพลเมื่อเรากำลังอธิษฐานคาอธิษฐานของพระเยซูนี้เราก็กาลังอธิษฐานว่าขออย่านา เราเข้าไปในอุ้งมือเข้าไปอยู่ในอิทธิพลเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของการทดลองพี่น้องครับการทดลองนั้นผมบอกแล้วนะครับเป็นความหมายกลางๆครับนะถ้าเป็นความหมายเชิงบวกก็แปลว่าการทดสอบจากพระเจ้านะครับถ้าเป็นความหมายเชิงลบก็คือการล่อหลวงครับการล่อลวงซึ่งเกิดจากมารพี่น้องครับ เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่ามาร์ตินลูเทอร์กล่าวบอกว่าเราหลีกไม่พ้นที่จ ะ, ะเผชิญกับการจู่โจมของมานแต่เราอธิษฐานเพื่อว่าเราจะต้องไม่พ่ายแพ้และพินาศไปเพราะพวกมันมาร์ตินลูเทอร์ได้ตระหนักรู้นะครับถึงการมีสติในการอธิษฐานการที่จะรับรู้ว่ามาร์ซาตานั้นมันมีอำนาจมีฤทธิพลนะครับมันมีมือ นะครับที่มองไม่เห็นที่ทำให้เรานั้นอ่อนแอเมื่อเราอ่อนแอเราสามารถที่จะตกอยู่ในกับดักหลุมพรางของมารซาตานได้พี่น้องครับเมื่อการล่อลวงมาถึงซาตานทำให้เราโกรธเคืองโกรธแค้นและขมขื่นเราต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้านะครับน้อมน้อมใจยอมฟังพระเจ้า คำว่าน้อมใจยอมฟังพระเจ้าก็หมายถึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูทำตามสิ่งที่พระเยซูตรัสนะครับดังนั้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอธิษฐานครับในวันนี้เราจะต้องอธิษฐานโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการกำลังของพระองค์มาเสริมแรงภายในข้าพระองค์และข้าพระองค์ยอมฟังความจริงแห่งพระเนะของพระองค์การตอบสนองต่อข้าพระองค์ของข้าพระองค์นั้น ในเรื่องทัศนคติในเรื่องการกระทำและความคิดก็ขอให้เป็นไปตามพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิดพี่น้องครับผมอยากจะอธิษฐานและขอให้พี่น้องได้หลับตาอธิษฐานตามผมนะครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการกําลังของพระองค์มาเสริมแรงภายในข้าพระองค์และข้าพระองค์ยอมฟังความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์และตอบสนอง ด้วยความเชื่อฝังขอการตอบสนองของข้าพระองค์ทัศนคติของข้าพระองค์การกระทําของข้าพระองค์ความคิดของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามพระวจนะของพระองค์ทั้งสิน้นอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับพระเจ้าสดับฟังคําอธิษฐานของเราแน่ในขณะเดียวกันครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้า นะครับเมื่อเราบอกว่าเรายอมฟังความจริงแห่งพระชจะของพระองค์เราต้องยอมเชื่อฟังจริงๆนะครับอันนั้นคือการที่ปฏิเสธตัวเองนะครับก็คือปฏิเสธความคิดของตัวเองรับความคิดความจริงแห่งพระชนะเข้ามาในชีวิตการตอบสนองของเรานะครับต่อสิ่งต่างๆเราอาจจะมีตัวตนของเราอาจจะมีแนวความคิดของเราอาจจะมีมาเซตของเรา พี่น้องครับต้องเช็คก่อนครับว่าไมซ์เซตของเราความคิดของเรานะครับทัศนคติของเราถูกต้องตามพระชนะของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าว่าไม่ถูกเราจะต้องปรับเปลี่ยนของเราเสียก่อนครับเมื่อเราปรับเปลี่ยนของเราพี่น้องครับกําลังของพระเจ้ามาถึงครับการทรงนําของพระเจ้ามาถึงครับเมื่อเรายอมปรับเปลี่ยนทัศนคติท่าทีการกระทําและความคิดให้เป็นไปตามพระชนะ นะครับถ้าเราอยู่ในพ่อชนะเราก็มั่นใจครับว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาถึงโดยทันทีเพื่อนครับผมอยากจะแบ่งปันชีวิตของผมสักเล็กน้อยครับหลายหครั้งทีเดียวเมื่อเราตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรากําลังจะทําอะไรบางอย่าง ที่สําคัญต่อชีวิตของเราผมจะถามตัวเองก่อนเสมอครับว่าเราอยู่ในน้ำมัธยายของพระเจ้าได้อย่างไรคําตอบก็คือเราอยู่ในน้ำมัธยายของพระเจ้าได้โดยการเชื่อฟังพระชนะตราบใดที่เรามีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระชนะนะครับแนวโน้มที่เราจะอยู่ในน้ำมัธยายของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่เมื่ออธิษฐานขอการทรงนําของพระเจ้าพระเจ้าก็จะปิด ในบางช่วงบางเวลาพระเจ้าให้เราคอยในบางช่วงบางเวลาและพระเจ้าก็ประทานมาในหลายๆช่วงหลายหเวลาเราจเห็นการทรงนำของพระเจ้าตลอดครับแม้ว่าบางครั้งเราก็คิดไม่ออกนะครับจากการท่องเที่ยวของผมกับครอบครัวผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือลูกชายครับและเมื่อลูกชายเขาวางแผนไว้เนื่องจากความรู้ทางเทคโนโลยีสูง การตัดสินใจที่ดีการรู้จักวิธีการเดินทางในต่างประเทศมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศนานพอสมควรทำให้เขาได้เรียนรู้และเมื่อเขาพาเราไปเที่ยวเขาก็สามารถที่จะนาได้หลายครั้งเราสงสัยหลายครั้งเราอยากจะเสนอความคิดเห็นแต่พี่น้องครับในที่สุดนั้นผมก็พบกับความจริงที่ว่าถ้าเราไว้ใจใครแล้ว เราก็ให้เขานำและเมื่อเขานำหากเขาเก่งพอการนำของเขาก็จะผิดน้อยที่สุดชั้นใดชั้นนั้นครับพี่น้องเมื่อเราวางชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าเก่งพอที่จะนำชีวิตของเราอย่างไม่ผิดพลาดครับหลายๆลครั้งเราอาจจะไม่ต้องถามหลายๆลครั้งเราอาจจะมีความสงสัยก็เก็บไว้นะครับแล้วจะถามในวันสุดท้ายเขาก็จะเฉลยครับว่า ที่ทำอย่างนี้พาอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมก็มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณทันทีว่าเมื่อถึงเวลาที่เราไปพบกับพระเจ้าในวันสุดท้ายเราก็จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจตอนที่เราเชื่อฟังตอนที่เราทำตามหลายครั้งครับเราทำตามด้วยความไม่ไม่รู้สึกสบายใจนักนะครับหลายครั้งเราทาตามด้วยคาถามเงนความเงนสน สนเทหรือสงสัยว่าจะต้องทำไมเป็นอย่างนั้นทาไมเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเก็บความสงสัยไวน้นะครับนะครับเพิ่มการเชื่อฟังเพิ่มการยอมจำนนนะครับเพิ่มท่าทีแห่งการทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะปลอดภัยครับชีวิตของเราจะสู่จุดหมายอย่างแน่นอนชีวิตของเราก็จะไม่เสียเวลาทาบางสิ่งบางอย่างที่ไรคุณค่าไม่มีสาระ ข, ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งที่ไร้สาระในโลกนี้เพื่อที่ข้าพระองค์หลายจะได้สาระสําคัญที่สุดก็คือชีวิตขององค์พระวิญ้าและพระวจนะคําสอนของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะได้ทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์หลายนั้นจะอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์พี่น้องขับ เมื่อเราอธิฐานอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆและการทดสอบการล่อลวงทั้งหลายนะครับเราจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์นะครับท่ามการการทดลองล่อลวงการทดสอบทั้งสิน้นเราต้องการกาลังเสริมที่มาจากพระองค์นะครับเราต้องมีท่าทีการตอบสนองอย่างถูกต้องครับ พี่น้องครับพอชนะของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้น้ำมัทัยของพระเจ้าอธิษฐานได้ถูกแต่พอชนะของพระเจ้านั้นก็ยังสามารถเป็น เ, เป็นสิ่งที่ตัดแต่งขนแหงครับทนแหงคือชีวิตของเราในพระธรรมยอนบทที่15พอชนะของพระเจ้านะครับที่อยู่ในจิตใจของเราครับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราฟังอยู่ในจิตใจของเรานั้นจะทำให้เราไม่ทำบาปได้ครับพี่น้อง นะพี่น้องครับสรุป ด, ดีบทที่หนึ่งร้อสิบเก้าพระชนะของพระเจ้านั้นก็ทําให้เราพ้นจากบาปทําให้เราบริสุทธิ์ชําระเราได้นะครับในเอเฟซัสบทที่หกพระชนะนั้นเหมือนกับเป็นดาบครับดาบที่ป้องกันเราให้รอดพ้นจากการโจมตีได้นี่คือความสําคัญของพระชนะของพระเจ้าในชาวันนีน้พี่น้องครับโปรดอ่านครับนะครับยาขี้เกียจครับ โปรดฟังคำอธิบายนะครับอย่าเบื่อครับและโปรดทำตามนะครับอย่าท้อถอยครับและน้ำาทัยของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนอาเมน